ส0พิกุณีขันธกะหนึ่งปฐมพานวาน 1. หมหาปชาปฏิโคตมีวัตถุว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามกรุงกบิลพัท แขวนสักกะครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ขอประทานวโรกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระธถาคตรประกาศไว้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูนว่าขอประทานวโรกาลมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้พระพุทธเจ้าข่าแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมี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 ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เลยลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงดําริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ทรงเป็นทุกข์เสียพระไถยน้ําพระเนตธนองพระพัก กัรแสงอยู่พลางถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทรงธรรมประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงกบิลพัท ต, ตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปกรุงเวสาลีเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณกุดาคารสาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้นคราวนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีปลงพระเกศาทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะพร้อมด้วยนางสากิยานีจํานวนมากสเสด็จไปทางกรุงเวสาลีสเสด็จเข้าไปยังกุดาคารสาลาป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีโดยลําดับเวลานั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระบาทพระบ่มพระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ําพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกท่านพระอานน์เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระบาทพระบ่ม พระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไถยนามพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกจึงถามดังนี้ว่าโคตมีเพราะเหตุไรพระองค์จึงมีพระบาทระบมพระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นทุลีเป็นทุกข์เสียพระไถยนามพระเนตรนองพระพัก ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกพระนางกลัดตอบว่าท่านอานน์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวิไนทที่พระทถาคตทรงประกาศไว้ท่านพระอาน น, น์กล่าวว่าโคตมีถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรออยู่ที่นี่สักครู่ จนกว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระธถาคดทรงประกาศไว้ครั้งนั้นท่านพระอาณนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนาที่สมควร ท่านพระอานนท์ผู้นั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายเปื้อนฝนทุลีเป็นทุกข์เสียพระไทยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูชั้นนอกด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ขอประธานะโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมมวินนยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคปรัสห้ามว่าอย่าเลยอาน o ์ เธออย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวิไนที่ตถาคตประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอาณนน์ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอประธานวรโรกาศขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวิไน ที่พระตถาคตทรงประกาศไ้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอาน o น์เธออย่าชอบใจการที่มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบันพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตทรงประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สท่านพระอานนต์ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควา่า ขอประธานวโรกาขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมมวิเนยที่พระตถาคตทรงประกาศไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอาน o ์เธออย่าชอบใจการที่มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินนยที่ตถาคตทรงประกาศไว้เลยลำดับนั้นท่านพระอานอน์คิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินนยที่พระองค์ทรงประกาศไว้อยากกระนั้นเลยเราพึงทูลขอพระองค์ให้มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินนย ที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยอุบายบางอย่างครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จะสามารถทำให้แจ้งโสดาปติผลสกิทาคามิผลานาคามิผล หรืออรหัตตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคกลัดตอบว่าอา น, น์มาตุขามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินนยที่ทถาคตทรงประกาศไว้สามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลได้ ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าถ้ามาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้สามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลได้พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาค ทรงมีอุปการะมากเคยประคับประคองดูแลถวายกเกษียนทานเมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคดื่มกเกษียนทานขอประทานวโรกาสขอมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินันที่พระตถาคตประกาศไว้แล้วด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า